นั้นพระองค์เนี่จะใช้พุทธพจน์เหมาะสมเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่สําหรับในสูตรนี้พระพิสูจ์ทั้งหลายนั่งสนทนากันในเรื่องของอดีตว่าอดีตนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าในพุทธวงศ์นั้นพระสารีบุตรเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็เลยคิดว่าโหพุทธานุภาพยิ่งใหญ่ขนาดนี้ นะทางพุทธลักษณะพุทธสรีระพุทธคุณต่า ง, ง, งเนี่ยปรง่งยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะพระองค์ตั้งความปรารถนาที่จะมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนอพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะและใช้เวลาขนาดไหนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นจะเป็นคําถามของภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรจะถามแบบเจาะลึกอัะนนะัเรียกว่าสุดๆเลยฟังกันเถอะแต่ถ้าเป็นบุคพระภิสุ์ทั้งหลายท่านก็จะสนทนาใน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 พระพิโสก็นั่งสนทนากันคือในพระไตรปิฎกจะหยิบเอาแต่สาระของการสนทนาเท่านั้นว่าหัวข้อที่สนทนาคืออะไรจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดเพราะถ้าลงรายละเอียดทั้งหมดไม่มีจบมีสิ้นเนีนะทนก็เลยเอาเฉพาะรายละเอียดที่สนทนากันตอนที่พระพิโสสนทนากันอยู่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สดับถ้อยคำเจรจาทั้งหมดนี้ของพิโุเหล่านั้นด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ล่วงโสต่าธาตุของมนุษย์เนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับ ว, ว่ามีหูพิเศษรับคลื่นเสียงได้ทุกคลื่นจะอยู่ไกลอยู่ใกล้นอกฝานอกกำแพงนอกภูเขานอกจั ก, กรวาล น, นอกคนละคลชาติก็ได้เรียกว่าพระองค์เนี่ยมีหูหูพิเศษที่เรียกว่าสำเร็จโดยคลิปเนี่ยนะด้วยด้วยเกิดจากอภิน ญ, ญาเป็นบาททําให้พระองค์เนี่ยสามารถที่เรียกว่าประสงค์จะได้ยินอะไรจะได้ยินทันที ก็มีความสามารถขนาดนั้นนะนะก็เหมือนกับถ้าแบบอะไรนะเป็นสมัยโบราณฟังแล้วโอ้เกินไปถ้าสมัยนี้อยากคุยกับใครก็กดโทรศัพท์ไม่กี่ปุ่มมันนะก็คุยกันได้เหมือนกันนั่งอยู่ต่อตอนหน้าไม่ได้ยากละเย็นอะไรเลยเนี่ยนะจะอยู่คนละประเทศก็ได้เอาเนี่ยนะคุยยังก็ว่าอยู่กันตอนหน้าตานี่แหละธรรมดามันถือเป็นเรื่องปกติไปเรียบร้อยแล้วยิ่งสมัยใหม่นั่งคุยแบบเห็นหน้ากันด้วยเนี่ยนะแทบจะนั่งดูหน้าคุยกันอยู่นั่นแหละ อันนั้ก็แทบจะว่าถึงขนาดนั้นกันแล้วเนี่ยนะเพราะอันนะั้นถ้าแบบอะไรนะถ้าเป็นเมื่อก่อนบอโอ้ยพระพุทธเจ้าจะทําไดไ้หรืออะไรหรืออาจจะสงสยัยแต่สมัยนี้ก็ไม่น่าสงสัยอะไรเนี่ยนะไม่น่าสงสัยอะไรเพราะใช่เราพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้สรรพสิ่งพระองค์เป็นพระสัพพันย์อยู่แต่อย่าลืมว่าพระองค์ไม่ได้เน้นสั่งสอนไอ้สิ่งที่อะไรน่าอัศจรรย์เป็นไปเพื่อพิศวงงม ง, งวยหรือเป็นไปเพื่ออกุศล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 หรือจะอยู่คนเดียวเงียบๆก็าตามจะต้องทําพุทธอาฏไว้ที่หนึ่งแต่งตั้งพุทธอาสานะแต่งตั้งที่นั่งสําหรับพระพุทธเจ้าเอาไ ว, ว้ถวายพระพุทธเจ้าเพราะไม่งั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคอยเสียเวลาว่าโอ้เนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอปูที่นั่งก่อนพระเจ้าข้าจัดที่นั่งก่อนบอกไม่ต้องเขาจะปูอาสานะไว้หนึ่งที่เลยตลอดเลยนะเตรียมพร้อมไว้เลยว่าพระองค์มาก็นิมนต์นั่งได้เลยเนี่ยนนิมนต์ประทับนั่งได้เลย พระองค์ก็ประทับนั่งแล้วก็ถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชมสนทนากันอะไรอะไรกันเนี่ยนะคุยอะไรกันอยู่แม้เพราะเหตุนี้เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดทางเอาไว้เนี่ยนะเธอพูดอะไรค้างอยู่พอดีเหมือนกับเรามาขัดจังหวะ น, นะมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันต่อหรือเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วพิสุหล่านั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า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 เ, เพราะเหตุแม้นี้ดังนี้ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระองค์พูดค้างเอาไว้พอดีพระองค์ก็เสด็จมาถึงเรียกว่าค้างเอาไว้อยู่เพียงนี้เนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอปรารถนาหรือไม่ที่จะฟังทำมีกถาเกี่ยวกับด้วยปุปเพนิวาตอยากจะฟังรายละเอียดให้มันพิสดารไหมล่ะเกี่ยวกับเรื่องระลึกชาติเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องระลึกชาติต้องการจะรู้แบบ พิสดารไหมในหน้าเจ็สิบสองอัตากาถาบอกว่ า, าถ้าเป็นพรหมชาลสูตรพระองค์ได้ฟังพิสูจ์โดยสัพพัญยุตยางนะแต่ในสูตรนี้รู้ด้วยทิพโสตในพระสูตรนี้เนี่ยนะที่บอกว่าพระองค์ดำรีว่าพิสุจเหล่านี้เนี่ยนะสรรเสริญคุณสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยปรารบปุพเพนิวาสยานของเราคือพระพิสูน์ทั้งหลายเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ย กิจกรรมอันหนึ่งของท่านก็คือการสรรเสริญคุณพระรัตนาตรายัยก็เหมือนกับพวกเราเนี่แหละได้มาเรียนแบบอิติปิโสพะคะวะอาะหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะก็ระลึกได้แต่ก็อย่างว่าโบราณภาสวดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะซิกแซกมากไม่ได้แล้วเนี่ยนะท่านก็แต่ว่าพระพิสุสมัยก่อนเนี่ยท่านก็ระลึกเออเนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพระองค์มีพระญาณเนี่ยเช่นวิชาจารณะสัมปนโนลวงเอามาบทเดียว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 เสด็จมาประทับนพะุทธอาดอันประเสริฐตามปกติที่ตั้งเอาไว้สำหรับให้พระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมซึ่งขณะนั้นพิสูุ์ทั้งหลายก็ปูละถวายเอาไว้พระองค์ก็มีพุทธประสงค์จะแสดงธรรมเกี่ยวกับปุเพนิวาสยานหรือว่าปุเพนิวาสานุสตยานยานที่กล่าวถึงการระลึกชาติได้ในอดีตแก่ภิกษุเหล่านั้นหลังจากที่พระองค์ถามบอกว่า การถามของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยเหตุผลหลักๆสองประการเหตุผลหลักที่พระพุทธเจ้าถามอาศัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะได้บัญญัติพระวินยัยอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็เพื่อที่จ ะ, สะแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นกาลันอยู่บุคคลรู้เลยว่าเวลาไหนควรจะบัญญัติวินยัยเวลาไหนควรจ ะ, สะแสดงพระธรรมเนี่ยนะเวลาไหนอินทรีย์ของผู้ใดแก่กล้าคู่ควรที่จะตรัสรู้ธรรมได้แล้ว เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยถามว่าพวกเธอเนี่ยนะปรารถนาจะฟังเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณไหมภิสนนะุเหล่านั้นก็รีบกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการสมควรแล้วเป็นการละอันสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงกระทธทำมีกระถาเกี่ยวกับด้วยปุเพนิวาสขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อน ข้าแต่พระสุคตเป็นกาละสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงกระทธทรมีกระถาเกี่ยวด้วยปุบเพนวาภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระพุทธนํรรัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักได้ทรงจาเอาไว้เพราะฉะนั้นนะอาศัยความอนุเคราะห์แสดงเอเนี่ยนะจะเดี๋ยวจะช่วยช่วยกัน จ, จาจะ ก, กาหนดจดจาตามที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วก็ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิสูนทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวคือพระองค์นั้นชักชวนให้พิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยเงี่ยหูฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีด้วยพระดํารัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งพระองค์เนี่ยประสงค์จะประกาศการระลึกชาติซึ่งเป็นทางอันตัดขาดแล้ว คือมีความหมายว่าเรื่องในอดีตเนี่ยนะมันเหมือนกับเรื่องอยู่ในอากาศอนะไรอย่างอย่างสมมติว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะถ้าใครเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์นิดนึ่งไปยืนอยู่นะักเมืองเก่าแห่งหนึ่งที่มีอิฐกองอยู่กองเดียวเล็กๆอะ่ะถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์จะเล่าเล่าให้ฟังเลยเมืองนี้นะเมื่อปีเท่านั้นพศออเท่านี้มีพระราชาพระองค์นี้ปกครอง มีประชาชนอยู่ประมาณเท่านี้โอ้เล่าเป็นเรื่องเป็นราวก็อันนั้อากาศทั้งนั้นแหละนะั่นนะแต่ก็เล่าเหมือนกับมีเรื่องมีราวอยู่ตรงนั้นทั้นการเล่าเรื่องราวในอดีตก็เหมือนกับชี้ทางที่ไม่มีอยู่ในอากาศ น, นะนั้นคนที่เล่าเนี่ยนะถ้าวัตถุประสงค์ไม่ดีเนี่ยนะมันถือว่าเสียงมากมาเลยแต่ถ้าสําหรับพระพุทธเจ้าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ตรัสสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่าอาศัย เรื่องราวที่เคยมีในอดีตแต่บัดนี้ไม่มีแล้วเหมือนกับอากาศที่มันว่างๆอยู่ขณะนี้นี่แหละแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนัเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ค่อยๆตรัสเล่าตามลําดับซึ่งพระองค์ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนพี่สุขทั้งหลายนับแต่นี้ไปเกสบเอ็ดกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ไม่น่าเชื่อเลยนะบอกว่าหยิบเอาหยิบเอามาเล่าอย่างกับว่านั่งดูอยู่นะคว่าถ้าเป็นปทผลปกติธรรมดาเนี่ยสับสนทันทีเลยนะเมื่อเก้าสิบเอ็ดกลับเมื่อสาสิบเอ็ดกลับอย่างเงี้ยค่อยคว่าแล้วในกลับนี้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเหตุการณ์นี่มันนานมากเลยนะพันในอดีตนั้นนะพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดขึ้นเมื่อเก้าสิบเอ็ดกลับถ้าหากว่า ถอยหลังจากกลับไปนี้ไป31มสิบกลับมีพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้อุบัติขึ้นในโลกในกลับที่31นั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในพัทธกับกับอันเจริญนี่นี่แหละมีพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า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 อุบัติขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะก็เล่าเอานะล้วงเอาอะพระพุทธเจ้าองค์ที่นะนับ ท, ทั่วไปเนี่ยนะในสูตรเนี่ยพูดถึงพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์เท่านั้นเป็นหลัก น, นะนอย่างที่เรียกว่าขอน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็พระองค์เนี่ยนะเจ็ดพระองค์ก็คืออะไรพิปสัสสีสิกีเวสภูกกูสันทโกนาคมมะนะและพระพุทธเจ้ากัสสะจนถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรวมเป็นเจ็ดองค์ มันก็จะเรียกว่าหยิบเอาเหตุการณ์ซึ่งมันห่างกันมากเอามาเล่าเหมือนกับอยู่ติดติติดกันนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วห่างกันมากๆเลยแหละเห็นไหมนั้นอันนี้เป็นลักษณะความชํานาญของความคล่องแคล่วของปุรเปนิวาสานุสติญาณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยปรเปนิวาสานุสติญาณของพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะติดขัดจริงๆะนะนอมสุดแท้แต่ประสงค์จะรู้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 ในระหว่างถอยหลังจริงๆนะจากวันนี้ถอยหลังไปสี่อสงไขยก็ไม่เคยมีอสงไขยไหนไม่มีกลับไหนในกลับเดียวกันเนี่ยที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึงหองค์ถ้าเทียบกับกลับนี้นะกลับนี้เลยเรียกว่าพัทธรกับกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์ก่อนหน้านั้นก่อนที่อภินิหารก่อนที่จะรวบรวมธรรมะอันประกอบไปด้วยองค์8ดของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยนะ ในชาตินั้นนะชาติก่อนพระทีปังกรก็มีพระพุทธเจ้าเกิดสี่องค์ก่อนหน้านี้ก็คือตันหังกรเมธังกรสารานาังกรและทีปังกรเพราะในกัปนั้นเนะี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในกัปเดียวกันสี่องค์ที่เหลือเหนือขึ้นจากพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไปโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไข่นนะก่อนหน้านั้นอนะ่ะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเป็นอสงไขย